เป็นเรื่องหยาบผ้าหยาบกระดาษหยาบกรวดหยาบหินและหยาบอื่นๆสารพัดหยาบถึงมันจะหยาบก็ยังมีประโยชน์แก่โลกใช้ตรงนี้ไม่ได้ก็โยกเอาไปใช้ตรงโน้นให้ถูกเรื่องถูกราวก็ได้ประโยชน์คุ้มค่าหยาบไม่เป็นเรื่องเป็นราวหยาบเสน่ห์บ้านเสน่ห์เมืองมีอยู่หยาบเดียวคือหยาบคําพูดคําพูดหยาบมีแต่ให้โทษล้วนๆและให้โทษหลายสถาน ทั้งแก่คนพูดทั้งแก่คนฟังโทษที่ทำให้คนพูดเป็นบาปเป็นกรรมตกนรกอเวจี G. จะพูดเฉพาะโทษที่เห็นกันง่ายในทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการขัดขวางต่อการครองใจคนอื่นซึ่งเป็นเนื้อหาของปาฐกถาเรื่องนี้คําหยาบเป็นเครื่องทําลายหลายอย่างเช่นทําลายเสน่ห์ในตัวผู้พูดทำลายอำนาจของผู้พูดและทำลายพงเผาเหล่ากอของผู้พูด ข้อแรกที่ว่าที่ว่าํำหยาบทำลายเสน่ห์ในตัวของผู้พูดนั้นหมายความว่าทำลายสิ่งที่จะทำให้คนอื่นรักซึ่งมีอยู่ในตัวของผู้พูดคือคนเรามีสิ่งที่จะทำให้คนอื่นรักอยู่หลายอย่างตามที่พูดมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยความงามหมายถึงอาภรร่างกายมารยาทและจิตใจคำพูดถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งซึ่งปรุงออกมาจากจิตใจของผู้พูด การที่มีคำพูดหยาบๆยบออกมาจากปากย่อมแสดงให้คนอื่นรู้ว่าใจของผู้นั้นต้องหยาบด้วยมันหนูที่ปีนขึ้นมาจากก้นบ่อเพียงแต่เราเห็นตัวหนูที่เปรเปรื่อนของโสโครกเราก็เดาได้ว่าในบ่อนั้นต้องมีของโสโครกอยู่ด้วยเราก็ไม่สมัครที่จะกระโดดลงไปเล่นในบ่อนั้นแล้วก็เลยพลอยเกลียดบ่อนั้นด้วยท่านผู้ฟังโปรดย้อนมาพิจารณาสภาพของจิตใจอีกนิดหนึ่ง ใจของคนเราต้องกินอาหารเหมือนกันกันกบร่างกายแต่อาหารของใจเป็นพวกอารมณ์ที่เกิดจากการเห็นการฟังการดมการลิ้มการสัมผัสทีนี้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สูดดมรสที่ได้ลิ้มและผัสสะที่ได้ถูกต้องนั้นมีอยู่สองประเภทคือทําให้จิตใจรู้สึกสดชื่นมีกำลังก็มี ทำให้จิตใจท้อแท้เสียกำลังก็มีมีทั้งสองอย่างเรื่องของจิตนั้นถ้าได้อารมณ์ชนิดที่พอใจทำให้เกิดกำลังสดชื่นก็ยินดีพอใจและรู้สึกถนอมอารมณ์นั้นและเก็บอารมณ์ไว้ในจิตเป็นเวลานานๆซึ่งเป็นอาการของความรักและถ้าได้อารมณ์ประเภทหยาบทำให้จิตใจเสียกำลังจิตก็จะรีบสลัดอารมณ์นั้นออกไปให้พ้นคล้ายๆกับเด็กตะกรา เห็นอะไรอะไรก็หยิบส่งเข้าปากคลั้นหยิบไปหยิบไปเกิดไปคว้าเอาบรเพชใส่เข้าปากพอถูกรถขมเข้าก็รีบบวนทิ้งคําพูดหยาบหยบเป็นเสียงชนิดหนึ่งที่ทําให้จิตของผู้ฟังเสียกําลังลงไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วข้าพเจ้าอยากจะว่าในบรรดาอารมณ์ต่างๆที่ทําให้จิตเสียกําลังไม่มีอะไรที่รวดเร็วเท่ากับคําหยาบเพราะฉะนั้นทุกคนจึงรังเกียจที่จะฟังคําหยาบ ไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดมันออกมาทางพระท่านเปรียบคําหยาบไว้ดีมากของท่านเหมาะจริงๆคือท่านเปรียบเหมือนก้านบัวหลวงที่เปรียบนั้นเปรียบกันด้วยความหยาบก้านบัวหลวงทุกท่านคงจะเคยเห็นดอกบัวที่เราบูชาพระนะ่ะก้านมันกลมๆขนาดนิ้วก้อยเห็นจะได้รอบๆก้านมันมีหนามตะปุ่มตะป๋ำเต็มไปหมด ถ้าเราเอาก้านบัวหลวงมาแยงหูจะรู้สึกเจ็บเวลามันครูดเข้าครูดออกถ้าเราถือก้านบัวหลวงไปขอแยงหูให้ใครเขาเห็นเข้าเขาก็ปิดหูไม่ยอมให้แยงหรือถ้ามีใครเขาเกิดจะเอาก้านบัวหลวงมาแยงหูให้เราบ้างเราก็ปิดหูเหมือนกันมันเจ็บนี่คำหยาบก็เหมือนกันกับก้านบัวหลวงนั่นแหละไม่มีใครชอบเพราะมันเข้าหูแล้วทาให้ไม่สบาย ที่เขาต้องทนฟังในบางครั้งที่เราว่าเขาก็เพราะความจำเป็นแท้มันหนีไม่ทันหรือหนีไม่ได้จริงๆก็เลยทนฟังไปอย่างนั้นเองหูฟังไปใจก็นึกด่าคนพูดไปถ้าเขาหนีทันหรือหนีได้จ้างเขาก็ไม่ยอมฟังคำด่าของเราไม่เชื่อก็ลองดูสักวันสิพิมพ์การ์ดขึ้นส่งไปให้ใครใใครบอกว่าวันที่เท่านั้นขึ้นแรมเท่านั้น เดือนนั้นเวลานั้นให้ท่านไปหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้าจะทำการด่าให้เจ็บๆลองดูสิว่าเขาจะมาให้เราด่าไหมเจ้าเขาก็ไม่มาเพราะมันหนีทันส่วนที่เขายอมฟังคำด่าของเรานะ่ะมันจวนตัวจริงๆหนีไม่ทันเลยต้องฟังตามธรรมดากนเราเมื่อลงได้เกลียดสิ่งใดก็มักจะเกลียดเลยไปถึงที่เกิดของสิ่งนั้นด้วยเช่น เราเกลียดดอกอุจจพิธเราก็มักจะเกลียดไปถึงต้นอุจจพิธด้วยเพราะต้นมันทําให้เกิดดอกคําหยาบก็เหมือนกันกับดอกอุจจพิธเมื่อลงได้เกลียดคําหยาบแล้วก็เลยพลอยเกลียดต้นของคําหยาบคือคนพูดอีกด้วยมันเป็นของที่แยกกันไม่ออกคําหยาบสอบถึงจิตใจที่ไม่น่ารักของผู้พูดหลายสถานเช่นแสดงถึงจิตใจที่หยาบคายแสดงถึงความบกพร่องทางวัฒนธรรม แสดงถึงความลดหย่อนทางคุณธรรมและแสดงถึงความร้ายต่างๆที่จะตามมากับคำหยาบเพราะฉะนั้นผู้พูดคำหยาบจึงเท่ากับบั่นทอนความน่ารักของตนเองลงไปโทษประการที่สองที่ว่าคำหยาบบั่นทอนอำนาจของผู้พูดนั้นหมายความว่าคำหยาบที่ผู้พูดพูดออกมานั้นกลับทำลายอำนาจของผู้พูดนั้นเองในเรื่องนี้อาจมีบางท่านสงสัยหรือไม่เห็นด้วย เพราะมีบางคนที่ชอบใช้คำหยาบประกอบอำนาจเพราะเข้าใจว่าคำหยาบเป็นเครื่องส่งเสริมอำนาจของตนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นคือทําให้คนกลัวเกรงมากขึ้นซึ่งเป็นความเข้าใจผิดความจริงอำนาจกับคำหยาบนั้นมาคนละทางเป็นคนละเรื่องกันทีเดียวอำนาจเป็นสิ่งที่เกิดจากความดีเช่นเป็นคนมีความรู้สึกดีความสามารถดี แล้วทางราชการหรือมหาชนยกย่องให้เป็นผู้มีอำนาจปกครองชี้ขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อว่าลงไปแล้วก็ไม่มีใครขัดแย้งทัดทานยินยอมปฏิบัติตามโดยดีทุกอย่างเรื่องของอำนาจเป็นอย่างนี้ส่วนคําหยาบเป็นคําที่เกิดจากจิตใจที่หยาบเช่นใจถูกเผาผลาด้วยความกโกรธความริษยาความมุ่งร้ายและความมักง่ายหลงผิดเพราะจิตหยาบคนจึงพูดคำหยา ถ้าจิตไม่หยาบ ก, ก็พูดคำหยาบไม่ได้เหมือนคนที่จิตใจปกติไม่กล้าแตะต้องของโสโครกหรือแม้แต่สงสัยว่าจะเป็นของโสโครกก็ไม่กล้าแตะต้องแต่พอเกิดความเดียดดานขึ้นจะคว่างปาสิ่งใดก็จับได้อย่างเต็มมือตกลงว่าอำนาจกับคำหยาบมาจากเหตุผลคนละอย่างเป็นคนละตระกูลและแทนที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนกัน กลับเป็นการทำลายกันผู้มีอำนาจแต่มักง่ายเมื่อตนใช้คำหยาบกับผู้อื่นเห็นเขารีบทำอะไรให้กุลีกุจอด้วยความกลัวจนตัวสัน่นก็เข้าใจว่านั่นเป็นความเด็ดขาดของอำนาจเลยยิ่งได้ใจใช้คำหยาบกับผู้น้อยหนักเข้าไปอีกยิ่งในคราวที่ต้องการแสดงอำนาจมากๆเช่นเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินชุลมุนก็ยิ่งฉวยโอกาสด่าใครต่อใครยุ่งไปหมด เวลาสั่งงานอะไรก็เอาคำด่าเป็นกระสายบางคราวคำด่ามากกว่าคำสั่งตั้งสิบเท่ายี่สิบเท่าก็มีดูกันให้ดีการสั่งงานหรือใช้อำนาจด้วยคำพูดหยาบนั้นไม่ได้ทำให้อะไรในตัวของผู้พูดดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรการที่คนอื่นเ็ารีบทำโน่นทำนี่ให้ก็ทำด้วยความเกลียดคือเกลียดขี้หน้าแล้วก็เลยทาให้จะได้เสร็จเสียทีแต่ใจจริงแล้ว มีแต่นึกภาวนาว่าเมื่อไหรท่านจะไปสู่ที่ชอบเสียทีถ้าเราสามารถเข้าไปดูในใจของผู้ฟังได้ในขณะที่เขากําลังฟังคําหยาบนั้นเราจะเห็นว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกต่อสู้แข็งข้อกระด้างกระเดื่องและนึกถกเถียงจนกระทั่งนึกถึงพูดคําหยาบตอบโต้ อ, อยู่ในใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่า ที่บางคนเข้าใจว่าคำหยาบช่วยส่งเสริมการใช้อำนาจให้ได้ผลเด็ดขาดนั้นเป็นความเข้าใจผิดถนัดกลับปรากฏว่าคำหยาบได้ทําให้ผู้ฟังเกิดความกระด้างกระเดื่องแข็งข้อต่อล้อต่อเทียงอยู่ในใจผู้พูดคำหยาบเข้าใจเอาเองต่างหากว่าอีกฝ่ายยอมหมอบราบคาบแก้วในบรรดาผู้ครองใจคนผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพระพุทธเจ้าเป็นนักครองใจคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รองใจคนนับจํานวนเกือบครึ่งโลกตลอดเวลานานถึง25ศตวรรษแม้แต่คนที่ไม่พบเห็นพระองค์เลยสืบดูในพระประวัติของพระองค์แล้วไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้ใช้คําหยาบเป็นเครื่องมือเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าในการสั่งงานหรือการอบรมสั่งสอนการใช้คําหยาบไม่ทําให้เกิดผลดีเลยโบราณท่านผูกปริศนาไว้สอนใจว่าน้ําร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตายนี่ก็หมายถึงคำพูดที่หยาบและสุภาพน้ำเปรียบกับคำพูดปลาเปรียบกับคนฟังที่ว่าน้ำร้อนปลาเป็นหมายความว่าคำพูดประเภทที่ทำให้ใจคนฟังให้ร้อนรนคือคำหยาบคำเช่งชักหักกระดูกต่างๆเวลาพูดออกไปแล้วทำให้ปลาคือคนฟังไม่ตายใจธรรมดาปลาถ้ามันยังไม่ตาย ก็ยังไม่แน่ว่าเป็นของเราเผลอหลุดมือลงน้ําเมื่อไหร่ก็หายจอมไปเลยคนก็เหมือนกันบางคนเนื้อตัวร่างกายเขาอยู่กับเราจริงปากก็พร่ำว่ายอมมอบกายถวายชีวิตแต่ใจยังคิดหาช่องทางที่จะหนีอยู่ร่ำไปคือคิดหนีในฐานะทอดทิ้งเราหรือไปเข้าข้างศัตรูคือไม่เป็นมิตรกับเราการที่เราจะทําให้คนฟังตายใจได้ ต้องใช้น้าเย็นคือคำพูดสุภาพอ่อนหวานที่จะทำให้ใจของผู้ฟังเงยือกเย็นสบายใจสักขีพยานที่จะอ้างได้ดีที่สุดและแน่นอนที่สุดก็คือตัวท่านเองขอโทษเถอะขอถามจริงๆว่าท่านที่มีคู่รักหรือคู่ครองเนะ่ะเหมือนตอนที่ท่านทำให้เขารักท่านสำเร็จท่านใช้คำพูดแบบไหนคำหยาบหรือคาสุภาพอ่อนโยนข้าพเจ้าเชื่อว่า คงไม่มีใครอุตริจีบกันด้วยการด่าพ่อล่อแม่หยาบยาบคลายๆหรือมีท่านผู้ใดจะตกลงใจรักเขาเพราะเขาด่าดเจ็บเหลือเกินจนทนไม่ไหวเลยต้องรักโทษประการที่สามที่ว่าการใช้คำหยาเป็นการทาลายพงเผาเหล่ากอของผู้พูดคือการที่ผู้ใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งพอบ้านแม่เรือนพูดกันด้วยคำหยาหรือด่าทอกันเป็นการวางแบบอย่างไม่ดีแก่อุชนของตระกูล เริ่มแรกก็พ่อกับแม่ด่ากันก่อนลูกได้ยินเข้าก็จำเอาไปด่าหลานหลานจำเอาไปด่าเหลนเหรนจาเอาไปด่าหลนแล้วก็ถ่ายทอดกันไม่รู้จักสิ้นสุดลงได้เลยและนั่นก็หมายความว่าเป็นการสร้างเสนียจังไรขึ้นไว้ในบ้านเรือนและในสังคมมนุษย์ทั่วไปด้วยการเรียกหาเรียกผีนั้นความจริงเป็นภาษาของชาวป่าหรือพวกคนป่าสมัยก่อนโน้น มนุษย์เราอยู่ตามป่าวิ่งไล่จับสัตว์กินเป็นอาหารไม่มีศาสนาไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดถือจึงพร่ำวิงวอนขอให้ผีช่วยบ้างขอให้หาช่วยบ้างครั้นโกรธใครก็ขอให้หาไปกินขอให้ผีไปลงเรื่องของคนป่าเป็นอย่างนี้แม้ว่าการเวลาล่วงเลยมาคนเราก็ยังเรียกร้องถึงหาถึงผีอยู่อีกเรื่องของเรื่องก็คือ จำกันต่ อ, ตอมาหานึกไม่ว่าการพูดคำเช่นนั้นเป็นการนิยมอย่างป่ า, ปาโดยไม่รู้สึกตัวแต่บางคนยังหลงชมตัวเองว่าการที่ตนใช้คำหยาบด่าว่าใครได้คล่องแคล่วเป็นการโกเก๋ทันสมัยซึ่งความจริงคำที่ว่านั้นมันล้าสมัยไปนานแล้วตั้งแต่สมัยคนป่าโน้นพอผู้ใหญ่พูดเด็กได้ยินก็จาเอาไปพูดปะหมาะก็เอา มาพูดกับผู้ใหญ่นั่นเองอย่างในบางครอบครัวพ่อพูดกับลูกว่าไอหาว่าลูกเสร็จแล้วลูกก็ใช้ไอหาว่าพ่อเหมือนกันคำพูดจำพวกคำหยาบหรือคำแช่งชักหักกระดูกเหล่านี้ถ้ามีอยู่ในครอบครัวใดก็บั่นทอนความสงบสุขของครอบครัวนั้นลงตามมากตามน้อยขอให้สังเกตดูเถอะถ้าครอบครัวใดด่าทอกันมากๆ ความสุขสดชื่นก็เหลือน้อยลงมันเป็นของอัปมงคลจริงๆคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันก็แปลกเวลาเริ่มรักกันต่างฝ่ายก็สันพูดแต่คําหวานๆต่อกันจะพูดอะไรแต่ละคําหรือจะเขียนจดหมายแต่ละบรรทัดคิดแล้วคิดอีกกลัวจะไม่เป็นที่พอใจของอีกฝ่ายหนึ่งพูดแล้วเขียนส่งไปแล้วก็ออามาคิด กลัวจะมีอะไรขาดตกบกพร่องจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งขัดข้องหมองใจขึ้นฉะนั้นคำที่พูดแต่ละคำจึงแสนจะหยดย้อยทูนหัวพี่แก้วตาพี่และอื่นๆแต่ละคำหวานจนแสบคอแต่พอแต่งงานกันแล้วกลับลืมตำรับเดิมเสียก็ไม่ทราบก็เคยใช้ได้ผลมากับตัวเองแล้วนี่ทำไมแต่งงานแล้วจึงไปใช้คำห ย, ยาบหยาบคลาย ตำน้ำพริกคลกเดียวไม่รู้ใส่หาลงไปกี่ตัวไม่รู้ใส่ผีลงไปกี่ตัวลูกผัวซึ่งเคยเป็นเทพบุตรในดวงใจมาแล้วก็อพิเศษให้เป็นไอ้หาบ้างไอ้ผีบ้างไอ้ชิบหายบ้างจนถึงกับสถาปนาให้เป็นสัตว์สาวาสิงก็มีครั้นเห็นลูกผัวเขาชักเฉยเฉยไม่สนใจกับตนเพราะเบื่อหนคําพูดก็ยิ่งด่าสงตั้งยัดทั้งเชา้าทั้งเย็น เจอหน้าทียไรก็เป็นเปิดอภิปรายทั่วไปทุกทีหนักเข้าก็เที่ยววิ่งหาหมอดูอยากจะรู้ว่าเนื้อคู่ดีๆยังจะมีอีกไหมดูเอาเถอะแล้วอย่างนี้จะหาความสุขมาจากไหนจะหาความเจริญได้อย่างไรในเมื่อตัวเองต้องร่วมกินร่วมนอนกับหากับผีอย่างนั้นจนแม้วัวควายหมาแมวในบ้านก็กลายเป็นผีสางไปหมดแย่จริงๆบางรายรู้สึกว่าด่ากันมากไปหน่อย ถึงกับเรียกหามากินเรียกผีมากินเรียกมันมากินใครกินลูกของตัวเองนั่นแหละบางคนบอกที่กินให้เสร็จให้กินตับมันให้กินปอดมันฟังดูเถอดท่านแล้วพอลูกโตขึ้นก็ไปทําอะไรก็สู้เขาไม่ได้ไปเป็นทหารเป็นตํารวจหรือไปบวชไปเรียนก็สู้เขาไม่ได้พ่อกับแม่ก็ช่วยกันด่าซ้ําเข้าไปอีกมึงมันเลี้ยงมาเสียข้อสอก ทำอะไรก็สู้เขาไม่ได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่ามันจะสู้เขาได้อย่างไรลูกเรามันคนไม่มีตับไม่มีปอดแล้วตับปอดมันไปไหนหมดละ่ะก็พ่อกับแม่มันช่วยกันเรียกหามากินหมดแล้วตั้งแต่อย่างเล็กๆพูดมากก็จะมากความเท่านี้ก็พอจะเห็นได้ชัดแล้วว่าคำพูดห ย, ยาบๆต่างๆมันเป็นอปมงคลเนียดบ้านเสนยดเมือง เป็นคำแข่งกระด้างระคายหูระคายใจใช้ไม่ได้สำหรับการครองใจคนอื่นอย่าว่าแต่คนห่างไกลเลยแม้แต่ผัวกับเมียก็ครองใจกันไม่ได้ด้วยคำหยาบนับปราษาอะไรจะอวดอ้างไปริใช้ครองใจคนอื่นต้องมัดด้วยของอ่อนข้าพเจ้าได้นำท่านผู้ฟังเข้าไปค้นคว้าหาประโยชน์จากการพูดคำหยาบทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมแล้ว ไม่พบว่าคาหยาบได้ประโยชน์อะไรในการคลองใจคนอื่นเลยถ้ามุ่งจะคลองใจเขาหวังจะให้เขารักก็มีคำพูดอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้คือคำสุภาพอ่อนโยนพูดจาพาทีให้นิ่มนวลเพราะเรียกพี่เรียกเพราะเรียกน้องเรียกพราะเรียกลุงป้านะอาก็เรียกให้เหมาะกับความนิยมแล้วเขาก็จะรักท่าน การพูดคำสุภาพอ่อนโยนเป็นการเพิ่มสง่าราศีแก่ตัวเองเป็นการเสริมสร้างอำนาจแก่ตัวเองทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงแก่วงตระกูลตลอดจนสังคมมนุษย์ด้วยในทางด้านจิตใจการพูดคำอ่อนหวานเป็นการผ่อนความตึงเครียดของจิตทำให้จิตเกิดกําลังดีมากไม่เหมือนพูดคาหยาบจะสังเกตได้ว่าในขณะเราพูดคาหยาบนั้นร่างกายทุกส่วนจะมีการเกรงผิดปกติ แม้แต่วิถีความคิดก็สับสนวุ่นวายฉะนั้นการพูดคำหยาบจึงเหนื่อยเร็วด่าได้อย่างมากก็ราวหนึ่งชั่วโมงและที่ด่าได้นานา น, า น, นั้นความจริงก็คือด่าซ้ำไปซ้ำมาเพราะขณะนั้นใจของผู้ด่าไม่ปกติคิดอ่านหาคำด่าไม่ค่อยได้เมื่อข้าพเจ้ายังอุปสมบทอยู่เคยสนใจกับเรื่องแปลกๆอย่างนี้อยู่ครั้งหนึ่งไปพักอยู่ต่างจังหวัดในท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เป็นเวลาราวๆสองถึงเดือนคนในตาบล น, นั้นด่ากันเก่งที่สุดทั้งด่าทั้งแช่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่มีชีวิตจิตใจทุกชนิดที่พลัดไปเกิดอยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นมีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปที่จะไม่ถูกด่าถูกแช่งเห็นจะไม่มีเลยแม้แต่หมูหมาเป็ดไก่ตลอดเวลาที่พักอยู่ในตาบล น, นั้น ข้าพเจ้าจะได้รับนิมนต์เทศสั่งสอนประชาชนบ่อยที่สุดและข้าพเจ้าเทศเรื่องเดียวตลอดเวลาคือเรื่องโทษของการด่ากันในระหว่างนั้นข้าพเจ้านึกอยากได้สถิติการด่าว่าคนที่ด่าเก่งที่สุดจะสามารถทำการด่าได้อย่างไรจึงออกอุบายจัดงานขึ้นและมีการแข่งขันการด่ามีกติกาว่าให้สองคนผลัดกันด่าทีละคำ โดยไม่ให้อีกด่าซ้ำคำเดิมใครด่าได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะและได้รางวัลผลที่สุดได้สถิติว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายชนะเลิศคือด่าได้นานที่สุดถึง15นาทีฝ่ายชายด่าได้เพียง 7-8 นาทีก็ยืนงงแล้วหาคาด่าไม่ได้ที่เล่าให้ฟังนี้คือแสดงให้เห็นว่าคำหยาบคายทำให้จิตใจและร่างกายของผู้พูดเสียกาลังอย่างรวดเร็ว ด่ากันไม่เท่าไหร่ก็เหนื่อยส่วนคนที่เขาพูดคุยกันด้วยความรักสิวันหนึ่งดูประเดียวเดียวปะเหมะข้าปลาก็ไม่รู้สึกหิวเสียด้วยซ้ำเพราะได้กาลังจากคำหวานของกันและกันธรรมเนียมจะมัดของหลายสิ่งเข้ารวมกันเขาต้องมัดด้วยของอ่อนเช่นได้ปอและถาวันถ้าแข็งนักก็ต้องจักให้อ่อนเช่น จากไม้ไผ่ทั้งลำออกเป็นตอกเส้นบางๆบางอย่างจักไม่ได้เช่นบัดกรีเหล็กหรือทองโลหะที่จะนํามาเชื่อมเขาก็ต้องเอาเผาให้ละลายเป็นของอ่อนเสียก่อนถ้าไม่อ่อนก็ประสานไม่ได้การประสานคนก็เหมือนกันจะให้เขารักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวต้องใช้วาจาที่อ่อนหวานผูกมัดตรึงใจไว้จึงจะเป็นผลโปรดจําไว้ด้วยว่าปิยาวาจาเป็น กระสายวิเศษในงานทุกอย่างไม่ว่าในการสอนการตักเตือนการสั่งงานและแม้แต่การตัดสินลงโทษการเอื้อเฟื้อโดยการให้ปันที่กล่าวแล้วในบทก่อนถ้าทุกคราวที่แบ่งปันท่านให้หยอดเสนีปิยววาจาผสมไปด้วยจะให้ผลบังเกิดอีกเท่าตัวเป็นอย่างน้อยสำหรับท่านสุภาพสตรีย่อมทำได้ง่ายอาหารในครอบครัวแต่ละมือ้อ ถ้าหยอดน้ำชูรสคือปิยวาจาด้วยทุกครั้งจะบังเกิดรสชาติคลองใจผู้บริโภคได้ดีเป็นพิเศษปิยวาจานี่แหละคือพุทธวิธีคลองใจคนอย่างหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องสิ้นเปลืองอะไรเลย 7. อัตจริยาความไม่สมกันระหว่างกายกับใจการเอื้อเฟื้อเพื่อคลองใจคนอื่น สวิธีแรกที่ผ่านมาแล้วคือทานกับปิยวาจาเป็นวิธีที่ได้ผลดีอยู่แต่ก็ไม่พ้นที่จะเห็นว่าผิวเผินและยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คนเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นความรู้สึกนึกคิดของคนเรานอกจากจะต้องการได้เป็นผู้รับของที่ผู้อื่นให้และต้องการจะได้ฟังคําพูดเพราะหูดังกล่าวแล้วก็ยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือต้องการที่จะได้ให้คนอื่นช่วยเหลือตน ได้อธิบายมาในบทก่อนแล้วว่าคนเราตัวกับใจมันไม่เท่ากันคือใจคนต้องการใหญ่แต่กําลังของตัวมีน้อยไม่พอที่จะสนองความต้องการของใจได้คนเรามีมือสองมือเขียนหนังสือได้ประมาณวันละ50หน้าแต่ใจอยากจะเขียนได้สักวันละพันหน้าปากพูดได้ดังไปไกลประมาณ100เมตรแต่ใจคนอยากพูดให้ได้สัก 3-4 ี่หัวเมืองเท้าคนเดินได้ชั่วโมงละ5กิโลเมตรแต่ใจคนอยากจะไปได้ชั่วโมงละ100กิโลเมตรนี่เทียบให้เห็นง่ายว่าคนทุกคนมีกำลังไม่พอกับความต้องการของใจถ้าเอาเปรียบกันดูจะเห็นว่าผลต่างไกลกันมากคือความต้องการของใจท่วมความสามารถของกายไม่รู้ว่ากี่หมื่นเท่า ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างที่เคยเปรียบกันว่าใจเหมือนนายกายเหมือนบ่าวภาชนะของนายกับบ่าวก็ไม่สมกันเลยตีเสียว่านายนั่งรถเก๋งบ่าวนั่งเกวียนแล้วเดินทางด้วยกันใจคอของนายอยากจะให้บ่าวไปถึงที่พักข้างหน้าก่อนตัวเสียด้วยจะให้หุงหาอาหารไว้รอจัดที่หลับที่นอนไว้ให้พร้อมแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนายนั่งรถบ่าวนั่งเกวียน ความต้องการของใจกับความสามารถของร่างกายก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นคือไม่สมดุลกันเลยและไม่มีทางที่จะสมดุลกันได้ด้วยเมื่อใจต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็เกิดความอัดอั้นตันใจชนิดที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกและความอัดอั้นดังกล่าวนี้ก็ทับถมใจตลอดเวลานับด้วยร้อยชาติพันชาติข้อนั้นคือความบกพร่องอย่างใหญ่หลวงของคน ทุกรูปทุกนามจะเรียกว่าเป็นปมด้อยประจําชาติก็ได้ดังนั้นพร้อมๆกับที่จิตตกอยู่ในความอันอั้นตันใจจิตจะมีความปรารถนาหนึ่งคือปรารถนาจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นและพร้อมที่จะรักผู้ที่ได้ทําการช่วยเหลือตนเพราะฉะนั้นในการวางหลักยึดเหนี่ยวใจคนอื่นพระพุทธองค์ผู้ทรงอย่างรู้จิตของคนทั้งโลกจึงทรงวางหลัก อัถจริยานี้ไว้เป็นลำดับที่สามและเป็นหลักใหญ่ที่สุดในทางการสงเคราะห์ความหมายของอัถจริยาอัถจริยาแปลว่าประพฤติประโยชน์เป็นคำแปลที่เพราะดีแล้วอมความได้หลายแงย่ทั้งทางอัตถกถาอธิบายทั้งทางปฏิบัติคำว่าประพฤติประโยชน์นี้จะขยายความว่าทำตนให้เป็นคนให้มีประโยชน์ อย่าให้เป็นกาฝาของสังคมก็ได้หรือจะว่าทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษอย่าทำอย่างนี้ก็ได้แต่ที่ถูกแล้วจะต้องเอารวมกันเข้าทั้งสองแง่จึงจะเป็นอัถจริยาสมบูรณ์เรื่องนี้เป็นเนื้อแท้ของพุทธวิธีครองใจคนมีทางที่จะต้องอธิบายหลายประเด็นแต่เพื่อไม่ให้สับสนจะได้รวบรัดประเด็นต่างๆพอให้เป็นทางปฏิบัติก็ การทำตนให้เป็นคนดีมีประโยชน์หมายความว่าคนที่จะครองใจคนอื่นได้ต้องเป็นคนมีประโยชน์อยู่ในตัวคําว่าคนมีประโยชน์ตรงข้ามกับคนไม่มีประโยชน์เพียงแต่ตีความออกเท่านี้ความก็ชัดเจนเกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วไม่ว่าของไม่ว่าคนจะมีค่าตัวเพียงใดขึ้นอยู่กับประโยชน์ถ้าสิ่งใดมีประโยชน์มากก็มีค่ามาก สิ่งใดมีประโยชน์น้อยก็มีค่าน้อยสิ่งใดไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ไม่มีค่าเลยพูดกันอย่างนี้เข้าใจง่ายดีน้ำหนักก็ดีปริมาณก็ดีรูปลักษณ์ก็ดีเอาเป็นเกณฑ์วัดค่าของสิ่งต่างๆไม่ได้ตัวอย่างที่จะอ้างมีอยู่ถมไปก้อนอิดน้ำหนักตั้งกิโลก็มีค่าน้อยกว่าทองคำหนักเฟืองเดียวเพราะทองเฟืองเดียวเขาเอาเงินมาเลี้ยงชีพ ได้มากกว่าอิดดังนี้เป็นต้นคนก็เช่นเดียวกับของใครเป็นคนมีประโยชน์มากค่าตัวของเขาก็มากใครมีประโยชน์น้อยค่าตัวก็น้อยใครไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่มีค่าตัวเลยสิ่งเหล่านี้ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วทีนี้ทั้งคนทั้งของจะเป็นที่น่ารักหรือไม่ก็ดูกันที่ประโยชน์เหมือนกันของที่เป็นประโยชน์ก็มีคนรักมีคนหวงแหน แม้แต่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆแต่ถ้าเขาเห็นว่ามันยังมีประโยชน์เช็ดเท้าได้คนที่จะใช้เขาก็ยังรักและเก็บไว้ถ้ายิ่งเป็นของที่มีประโยชน์มากก็ยิ่งใส่หีบลั่นกุญแจ2ชั้นสมชั้นแต่ถ้าเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็โยนให้พนักงานเทศบาลจัดการไปตามระเบียบคนเรานี้ก็เหมือนกันถ้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นว่าจะมีประโยชน์แก่เขาเขาก็พากันรักใครส่สรรเสริญ ชั้นที่สุดแม้แต่เห็นว่าพอจะกวาดบ้านให้เขาได้ก็ยังพอมีคนรักอยู่บ้างยิ่งถ้าเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองมากมายเขาก็สร้างรัว้วสร้างวังให้อยู่มีเวรยามรักษาความปลอดภัยให้แต่ถ้าลงเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็เลิกกันถึงตัวเราทุกวันนี้ก็เถอะที่พี่น้องลูกเมียและเพื่อนฝูงเขามารุมรักก็เพราะเขาเห็นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่ ตัวเรานี้ถ้าจะว่าแล้วก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนั่นเองเราเป็นผู้จัดการคนทั้งหลายเขาเห็นว่าท่าทางจะเข้าท่าดีเขาก็าพากันมาเข้าหุ้นด้วยคนที่เขาเป็นเมียเราผัวเราเพื่อนฝูงเราก็คือผู้ถือหุ้นทั้งนั้นคือหุ้นรักบางท่านรัฐบาลได้ถือหุ้นอยู่ด้วยก็มีถ้าเราจัดการดีมีผลประโยชน์มากขึ้น ถ้าทางมั่นคงพวกผู้ถือหุ้นทั้งหลายก็จะพากันเพิ่มทุนให้เราคือเพิ่มความรักให้มากขึ้นแต่ถ้าเขาเห็นว่าผู้จัด ก, การชักเหลวไหลไว้ใจไม่ได้ปีก่อนก็ขาดทุนปีกลายก็ขาดทุนปีนี้ก็โซเต็มทีกี่ปีกี่ปีก็ไม่ฟื้นเขาก็ถอนหุ้นที่เคยเอาความรักมาลงทุนไว้เยอะๆก็ถอนไปถอนไปเสร็จแล้วก็ไปหาเข้าหุ้นกับคนอื่น ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นไม่ใช่หรือขอโทษเถอะหรือจะเคยถูกถอนหุ้นมาบ้างแล้วก็ไม่รู้ระวังไว้หน่อยก็จะดีแล้วท่านที่จะไปเข้าหุ้นกับคนอื่นก็ต้องตรึกตรองดูให้รอบคอบถ้าเกิดไปจองหุ้นกับบริษัทที่จวนจะล้มละลายอยู่แล้วก็เสียเวลาเปล่าแล้วก็อย่าลืมตรวจดูด้วยว่าบริษัทเขามีผู้ถือหุ้นเต็มอัตราหรือยังหุ้นบางประเภท ถ้าเกิดไปถือหุ้นซ้อนกันเข้าแย่เหมือนกันบางทีผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นเกิดงัดสิทธิ์กันน้ำตาตกทั้งคู่ก็มีวิธีทำตัวให้เป็นคนมีประโยชน์อาจทำได้หลายวิธีเช่นการศึกษาอบรมและการฝึกฝนตนให้มีสมรรถภาพพอที่จะช่วยคนอื่นได้เมื่อรวมความแล้วคนมีประโยชน์ก็คือคนที่มีกาลังในตัวเองคือมีกาลังกายกาลังความคิด กำลังปัญญาและกำลังทรัพย์คนที่จะช่วยคนอื่นได้จะต้องเป็นคนมีกำลังเหล่านี้อยู่ในตัวใครมีมากก็ช่วยได้มากใครมีน้อยก็ช่วยได้น้อยเพราะฉะนั้นที่ว่าบำเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์ก็คือการสร้างกำลังทั้งสี่ไว้ในตัวนั่นแหละกำลังเหล่านี้แต่และอย่างเป็นสเสน่ห์ทำให้คนอื่นรัก